เรื่องสิบคุณผลแห่งกองทัพมารโดยพระอาจารย์สมภพชโชติปัญโยในอริยะญาณธรรมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบังเกิดมีแล่เพื่อนสะทมิกทุกรูปทุกองค์ออกาสนี้ก่อนที่ฟ้าจะสางไต่เพลิงภู ในวันนี้เรามาพูดกันเรียกว่าทำมิรถาก่อนฟ้าจะสางเา้งหลังได้ทำความเพียรกันมาตั้งแต่ทั้งแต่ตีหนึ่งตีสองนี้จนป่านนี้ได้ใช้ความอดทนความภาคเพียรความพยายามคมจิตคมใจฟื้นจิต ฟ, ฟื้นใจตนเอง เพื่อสังสมซึ่งคุณงามความดีบญยาบา ล, ะละมีหนาเชินชมหน้าจินตีหน้าอนุโมทนาเดยเฉพาะสามเนมเนน้อยทั้งหลายกระผมขอยกย่องวางเก่งกว่าผมตอนเด็กๆเพราะสมัยเด็กๆมไม่ได้เก่งแด่นี้หรอกแต่าพามานั่งสมาธิแต่ตีหนึ่งตีสองมาจนสว่าง มากินข้าวไม่ได้กินข้าวได้มาอยู่ในปา่าม่เขาไม่กินมามา่าวันละสอห่ออย่างเนี้ยผมคงเพ่นนะคร <c oughs> าวนี้ผมลักหนีไปแล้วนะสมัยก่อนนั้นนะแต่พวกเรานั้นสามเณรน้อยหัวยังไม่พ้นปะยาเนี่ยผมลืมใส่ศรัทธาในความอดความทนความภาคเพียรปยายามและการพรหนุ่ม ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มาด้วยกันส่วนมากก็เป็นวัยหนุ่มวัยน้องวัยหลานของผมทั้งนั้นทั้งสามสิบสี่สิบรูปเลิศแต่เป็นบุคคลที่น่ารักน่าอนุโมทนาในธรรมวินัยนี้ก็พอมีความรู้สึกว่าเราโชคดีนะที่เราทั้งหลายได้มีความคิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พขาไม่คิดหรอกว่าจะมากันมาขนาดนี้ตอ น, น, นแรกๆก็พูดไปเฉยๆ ว, ว่าคงจะมีกันไม่เกินยี่สิบรูปพราเราจะขึ้นไปโยป่าใหญ่เขาสูงไกลห่างจากสังคมปดเปลืองพันธนาการของสังคมความผูกพันจากชาวบ้านอาจกินหมามา่าวันละสองหอ่อแทนข้าวไม่บินทบาดไม่พบคนป่าใหญ่ป่าลึกตรงไหนเราจะไปตรงนั้น นึกว่าจะมีไม่มากแต่ที่ไหนได้ท่านทั้งหลายก็พากันตั้งใจเตรียมให้พร้อมทุกคนก็จะมาเห็นแล้วก็ น, น่าอบอุ่นใจเป็นอย่างจริงว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีบุญญาบารมีมากพอสมควรถ้าหากเป็นสมัยนี้ของพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้ า, จาอริยสงฆ์มีจานวนมากนองผมเชื่อว่าบุคคลเหล่านี้ท่านทั้งหลายเหล่านี้คงจะต้องประดิษฐานมานั่นในอริยญาณธรรม อย่างน้อยก็ถึงขั้นที่เรียกว่าสัตธรรมมสนิยมกังแน่นอนในพระสัตยธรรมไม่มีทางที่จะตกต่าลงไปในอบายอีกอย่างช้าที่สุดก็ไม่เกินเจ็ดชาติที่มาเกิดในโลกนี้ท่านก็จะพ้นไปจากสังสารวัตรแต่ว่าอย่างไรก็ตามพวกเรานั้นใหามีบุญน้อยบุญน้อยก็ดีกว่าไม่มีบุญนะ เราเกิดมาสุดท้ายภายหลังท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาล 2534-35 ปีนี้ถ้าเป็นผลหมากรากมาก็เรียกว่าลูกปลายมันกำลังจะวายแล้วแต่ก็ยังดีเราได้พากันสั่งสมอบ ร, รมปุญญาบาละมีมาเช่นนี้จิตทันเตนิพุเตจาปิสเมจิตตังสมังภาลังแม้พระผู้มีพระจากจะปรินิพานไปแล้วก็ตามเลยยัง มีพระชนมายุอยู่สเมจิตตังสมังพลังเมื่อเรามีจิตสม่ำเสมอที่จะประพฤติตามสมังพลังก็ย่อมมีผลเสมอกันไม่ว่าท่านจะยังอยู่หรือป ร, ริมิพันธ์ไปแล้วนี่เป็นหลักยืนจังแค่ในหลักสวะาคา้าแต่ทำคําว่าอาการิกโกอาการิกโกไม่ประกอบไปด้วยการเวลาความทุกข์กิเลสตัณหาความโศกความสิน้นไป ของกิเลสตันหาเป็นภาวะอันเดียวกันทุกยุค ท, ทุกสมัยสมัยพระพุทธเจา้าพุทธการมีความทุกข์อย่างไร ง, ไง่ายๆมีความหิวหิวข้าวหิวปลาหิวอย่างไรในสมัยนั้นกับความหิวในสมัยนี้มันก็เหมือนกันไม่เพิดกันความอิ่มในสมัยนั้นเมื่อได้กินแล้วกับความอิ่มในสมัยนี้มันก็เหมือนกัน เพระั้นกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตในใจของคนสมัยนั้นกับความมีอยู่ในใจิตในใจของเราในสมัยนี้ก็เหมือนกันความสิ้นไปแห่งกิเลสตัณหาถึงวิมุตติภาพความลดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงในสมัยนั้นมีอยู่อย่างไรในสมัยนี้ก็มีอยู่อย่างนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะท้อท้อยไม่ควรจะมีความตําต้อยน้อยใจว่าเกิดมาไม่ทันสมัยพุทธเจ้า เกิดมาไม่ทันสมัยครูบาอาจารย์อาจารย์มันอาจารย์ฟันอาจารย์โ ด, ด่งดังดังท่านมรณภาพไปแล้วอย่าน้อยใจว่าเราเกิดมาไม่ทันท่านเหล่านั้นมรณภาพไปก็ดีผลิภานไปก็ดีตายไปก็ดีท่านก็ไม่ได้เอามรักพ้นเอานิพานนี้ไปด้วยเพื่อชังอ ย, อย่างนี้พระพุธยาท่านตรัสอารียงเขปะ น, ะนังพัมมณีโลกุตตลังทำ ม, มังปุริสัสสัตถนังปัญญาเปมิ ดูก่อนพามเราเกล่าวว่าโลกุตตรธรรมอันเป็นอริยะนั้นเป็นทรัพย์ซึ่งเป็นของมีอยู่ของบุรุษทั้งหลายของคนทั้งหลายในโลกเป็นของสาธารณะเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาถ้เาเราจะพูดมาถึงเรื่องราวที่เราทั้งหลายกําลังประพฤติตปฏิบัติกันปฏิปทานนี้ถ้าหากพระพุทธเจ้าของเรามีพระชนมายุอยู่พระองค์ก็คงจะยิ้มในมุมแห่งพระโอษฐคนแก่พูดว่าโอ้ เราชื่นชมในปฏิปธานี้เรายินดีในปฏิปทานี้ท่านกงจะชื่นชมอย่างนี้เพราะการที่เราทั้งหลายต่างอกต่างใจทำความเพียรกันในป่าดงผงไายใต้หนงผาเพลิงผูกนั่มันเป็นบรรยากาศสมัยโบราณ น, นู้ที่นี่สิ่งที่เราจะมาทำความรู้จักมันช่วงนี้เราคงจะ ก็ยิ้มยิ้มย่องพอใจในปฏิปทาแต่อย่าลืมนะว่าเราเผอแป๊บเดียวเท่านั้นสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คือว่าความล้มเหลวความล้มเหลวจะเกิดขึ้นทุกเมื่อทั้งทางตรงทั้งทา ง, ทางอ้อมสิ่งเหล่านั้นเรียก ว, ว่าอุปสรรคก็ได้ศัตรูก็ได้มารก็ได้ในสมัยพุทธกาลท่านเรียกสิ่งเหล่านี้ว่ามารพยามารมาละมารัง สิ่งที่คอยขัดขวางสิ่งที่คอยทําลายคุณงามความดีความตั้งใจภาษาฝรั่งเขาแปลว่าเดสเตอร์เยอร์ผู้ทําลายแต่ผู้อย่างนี้มันเหมือนเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นสัตว์บุคคล ต, ตัวต้นเราเขาแต่ความจริงมันไม่เป็นเนื้อเป็นตัวไม่เป็นสัตว์บุคคลตัวต้นเราเขาใยกตัวอย่างท่านพูดเรื่องปุกคลาธิฐานว่าเมื่อพระสง์องค์เจ้าไปทําความเพียรก็ดีพระพุทธเจ้าของเราทําความเพียรอยู่ ครั้งแรกเมื่อออกบวชเราจะเห็นได้ว่าตอนออกบวชนั้นก็มีพยามาณมาคอยขัดขวางว่าอย่าไปเลยสิทัตกุมาณรออีกสักเจ็วันเท่านั้นสมบัติเอกภพก็จะเกิดขึ้นแก่ท่านภาษาสดาบอกว่าเราไม่ปรารถนาสิ่งเหล่านั้นแต่เราปรารถนานิพพานต้องการจะรื้อขนสัตว์ทั้งหลายอาอกแกทุกข์ม่อนั้นก็ตามไปเมื่อวันที่ท่านทําความเพียนอยู่ในป่ายอย่างโหฮเที่ยมประกาศจดเยินอย่างเด่นชัดว่า เนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปจากสรีละนี้ก็ตามเหลือไว้จะเพียงเนื้อหนังเอ็นกระดูกเท่านั้นจะเลือดอยู่ก็ตามตารมังตะโจจะน่าหาโรจะอัตเถจะวัสสสตุเหลือเพียงเนื้อหนังเอ็นกระดูกเท่านั้นมีอยู่ในร่างกายนี้ส่วนเลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไปจากร่างกายนี้ก็ตามที ประโยชน์อะไรที่จะป็นรู้ถึงได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความปากบันของุรุษถ้าหากยังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วเราจะจุดความเพียรเสียเป็นไม่มีพระศาสด า, าได้ประกาศจดยืนอย่างเด่นชัดคล้ายๆกับประกาศสงครามกับพญามารนั่นทีนีพญามารัก็ประกาศสงครามท้าทายขึ้นมา บอกว่าพัทธสสสัสพปาเซหิเยทิพาเยจะมนุษยามหาพันธนาพัทโสสิณเมสมณโมคสีติแปลว่าบวงของเราจะคล้องท่านทั้งที่ทเป็นบวงทิพและบวงมนุษย์บวงอันยิ่งใหญ่ของเราจะผลกพันท่นานณเมสมณโมคสีติสมณะท่านนี้ไม่พ้นเราหรอกท่านจะนีเปไหน จะว่าให้ดีนะระดับพระศาสดาระดับพระพุทธเจ้าและพยามาณก็ยังครูมีทีเด็ดที่น่าหวาดกลัวมากอันหนึ่งก็คือถ้อยคำที่ประกาศออกมาว่าอันตลิกทะจโรปาโซยะวายังจรติมานาโซณะเมสมณะโมคัสีติขออภัยในภาษาบาลีว้อย่างไงบ่วงของเราลอยอยู่ในอากาศบวงของเราลอยเข้าไปแลมในจิตใจของท่าน จะผูท่านจะมัดท่านท่านนี้ไม่พ้นเราแน่แน่ท่านจะไปไหนสมณะนี่คือคําครูของมารคํำขู่ของมารทีมครูพระพุทธเจ้า <c oughs> ครูพระโพ ธ, ธิสัตว์แล้วพระองค์ก็ได้ต่อสู้มาตลอดเวลาเจ็ปีวันสุดท้ายชัยชนะของท่านเกิดขึ้นเราจะเห็นอยู่ตลอดว่าเมื่อพระองค์ทําความเพียรอย่างเพ็ดร้อน พญามาลมาันก็มาบอกมาบอกว่าท่านตายแน่ๆ น, นะท่านจะได้ทําความเพียรในนี่ความตายของท่านเนี่ยมีเพียงมีตั้งหนึ่งพันส่วนส่วนชีวิตท่านจะเหลืออยู่เพียงส่วนเดียวท่านมีชีวิตมันยังดีกว่าตายนะจะได้ทําบุญทําทานอะไรพวกนี้แหละทั้งหมดนี่คือเรื่องของมารแล้วก็ยังมีกองทัพมีขุนพลนะไปจํากองทัพถึงสิบขุนพลแห่งกองทัพมาร เพืนี่เราทั้งหลายทําความเข้าใจให้ดีมามาฟังกันก่อนก่อนที่พวกเราจะขึ้นมาทําความเพียร น, นี้ก็ดีก่อนที่พวกเราจะบวชในศาสนานี้ก็ดีพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสว่าพวกเทวดา น, นั้นเขาสรรเสริญ ว, ว่าดูก่อนพิชิตทั้งหลายแต่ยโยมีพิกฆเวเทเวสุเทวสถานิฉลันติสมยาสมยังอุปาทา ย, ยะว่าอย่างเงี้ย โดยก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเสียงของเทวดาทั้งหลายจากดังขึ้นเปล่งขึ้นโดยปีติสามสมัยคือสมัยใดอริยะสาวกก้กนผมปงหนวดนุ่งผ้ า, ากาสาวพัทเป็นผู้ออกแล้วจากเรือนเป็นบุคคลไม่มีบ้านไม่มีเรือนออกบวชสมัยนั้นเสียงเทวดาก็ดังขึ้นท่านไว้อย่างนี้ คือตั้งแต่เราบวชนเสียงเทวดาก็ดังขึ้นว่าบัตรนีพุทธสาวกตั้งแต่ตอนโกนผมโกนหนวดนี่เสียงเทวดาทั้งหลายดังเกึกก้องในท้องฟ้าในอากาศเดชสมิงสมะเยได้สมิงพิกเวสมเยอริยซาวโกเกสัมมสุงโอฮาเรตวากาสายานิวัานิอชาเทตว่า อาคารสมาณาคาริยปปัพชชายะเจเตติตสมิสมยเทเวสุเทวสัทโทนิชลานนิชลติสมัยใดพุทธสาวกอริยสาวกโกนผมโกงผมโกนหนวดนุ่งผ้ากาสาวะออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนสมัยนั้นเสียงเทวดาก็จะเปล่งขึ้นเอสวอริยสาวโกมาเลนะสถิงสั่งขมายะเจเตติ โอบัร น, นี้อริยาสา v กได้นเตียมพร้อมที่จะเข้าสู่สงครามกับพญามารแล้วอายังพิฆเวปเทมปัธโมเทเวสุเทวสทโนนิชลาตีสมญาสมยังอุปาถายะด้วยกวามพิสุจทั้งหลายนี้เป็นเสียงของเทวดาครั้งแรกที่เปล่งขึ้นในสมัยนั้นต่อมาอเมื่อระบวดเสียงเทวดาเขาก็เปล่งขึ้นแล้วว่าเราเตรียมตัวที่จะเข้าสู่สงคราม ทีนี้เอาใกล้เข้ามาก่อนที่เราจะมาเนี่ยเราทั้งหลายเตรียมบาดเตรียมกดเตรียมจีวรเตรียมกระติกเน้อมสี่ห้าวันไม่ทําอะไรกันที่วัดเตรียมตัดสลกบาดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างใครไม่มีก็ช่วยกันจัดกูรีกูจอเตรียมว่าจะขึ้นภูเขาป่าใหญ่เขาสูงไกลห่างจากหมู่บ้านเราจะไม่รับ อาหารบินธบาตจากชาวบ้านเราจะบุกเข้าไปสู่ป่าใหญ่เขาสูงป่าสูงดงใหญ่หนู่นและหุบเขาป่าพงดงดอนตั้งอกตั้งใจทำความเพียรกันอย่างเข้มข้นตลอดเวลายี่สิบวันขอให้มีน้ากินและเราก็ตัดสินใจตกลงใจกันว่าจะกินมามา่าองค์ละทองห อ, งองเมื่อนั้นเสียงของเทวด า, ากด็จะดังขึ้นอย่างกกลองว่าบัดนี้อริยสาวก เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ส น, นามรบกับพญามันเฉยฟังให้ดีนะว่าเมื่อเทวดาสาธุการดังเกือกกล้องไปหมดแต่คนธรรมดาเราจะไม่ได้ยินหรอกแต่มีสิ่งหนึ่งที่ได้ยินคือพญามรน <c oughs> ฟังอดีตนะว่าเมื่อเทวดาสรรเสริญเกืกกล้องขึ้นเชียร์ขึ้นพญามันได้ยินแล้วพญามานก็ตั้งท่าทันทีนะเขาก็ประกาศทันทีเขาบอกว่า พัทโทสิสัพปาเซหิเยทิพาเยจะมนุษษามหาปันณพัทโทสินะเมสมนโมกสีติจะไปไหนสมณะจะเก่งสักขนาไหนจ ะ, ะขึ้นอยู่ป่าไหนภูไหนถ้ำไหนท่านหนีไม่พ้นเราบ่วงอันยิ่งใหญ่ของเราทั้งเป็นของทิพยของมนุษย์จะคล้องใจท่านอะไรคือบ่วงของมานฟังให้ดีรูปรถ กิ่นเสียงที่นั้นเคียงสัมพันธ์มันก็คือบ่วงมารที่จะมาโผกมัดเรามันตามมาได้อยู่ในป่าเขาหุบเขาป่าพงล้องดอนเมื่อพญามาได้ยินเสียงของเทวดาเขาก็เตรียมที่นี้ยิ่งพวกเราขึ้นมาถึงตรงนี้แหละอาลาละมาแล้วเราก็มาทําความเพียรกันตามปกติเราจะลุกกันตีสองแต่นี่ตีหนึ่งกว่ากามากันละตีหนึ่งกันมากันหมดแล้วนั่งสมาธิในธรรมกันเต้มไปหมดละ หน้าเสลเซหน้าอนุโมทนาสาธุการในช่วงนี้เสียงของเทวดาจากตั้งเกึกก้องขึ้นอีกสองเข่าพระพุทธเจ้าของเราวะ่าปุณณะจะประลังพิกเวจะสมิงสมะเยอริยสาวโกสัตตนังโพธิปัขจยานังธรรมานังภาวนานุโยคามนุยุตโตวิหารติสัตสมิงพิกเวสมยเทเวสุเทวสโตนิชลติ ดูก่อนพิษสุดทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกสมัยใดอริยสาวกเจริญโพธิปัจคียธรรมทั้งเจ็ดประการภาวนาประกอบอยู่เจ็ดประการมีอะไรสติปทานสี่อิทิบาทสี่สัมมาปทานสี่อินทรี่ห้าภาละห้าโพธิสองเจ็ดมักมีองแปดเจ็ดประการรวมเป็นสามสเจ็ดประการเมื่อใดเราเจริญทำเหล่านี้เมื่อนั้นเทวดาทั้งหลายก่ซสาธุกการขึ้นอย่างตึกก้อง ทั่วทั้งที่พบมนทนทั่วทั้งจอกวาลอันไพศาลว่าบัดนี้เอโซอรียาสาวกโกมาเลนัสถิงสังคาเมติติอายังพิคเวตุติโยเทเวสุเทวสโตนิชลาติสมญาสเบญญาอุปาทายะนี่พระพุทธเจ้าระบายอย่างนี้ว่าบัดนี้อรียสาวกนั้นได้เข้าสู่สงครามกับพญามานเต็มรูปแบบที่สุดั่างร้านนี่แหละเสียงของเทวดา เปลงขึ้นมาดังขึ้นมาอีกเป็นครั้งที่สองทุเดียวเทเวสุเทบะสัทโทให้ช่วยฟังให้ดีตอนนี้เรากำลังให้เทวดาเสลอเสริญกึกก้องครั้งที่สองเพราะเราทั้งหลายได้มาเจริญสมาธิภาวนาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแล้วมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าออกเป็นกายานุปัสนา บางทีเราก็จะมีสติบางท่านก็เพ่งดูความรู้สึกในขณะนี้เป็นสุขเป็นทุกข์ขี่เกลียงห่วงเงาเศร้าเ ส, สมดูมไปเป็นเทเวทนานุปัสสนาและในขณะเดียวกันบางท่านก็ดูจิตบางท่านท่านก็จะดูความรู้สึกในจิตในใจในกายในอะไรทุกอย่างที่เรียววัดรมทั้งหมดส้าที่ประฐานสี่ได้เ ร, ริ่มทํางานอย่างเต็มที่ปฏิบัติการของสติปัญญาพร้อมทั้งการกระทําความเพียรที่เรียววัดสมบัติทานเต็ม เทวดาเขาก็สาธุการอย่างกึกก้องในช่วงนี้แหละเตรียมตัวไว้ให้ดีว่าพวกพญามารก็ยิ่งเตรียมพลังเตรียมขุนทับมาทันทีอย่างยิ่งใหญ่กึกก้องมโหรานเลยทีนี้ต่อมาครั้งที่สามช่วงนี้คงจะยังอีกไกลเพราว่าสมัยใดอริยสาวกชนะสงครามกับพญามารทําลายอาสะวะสังโยต ทั้งสิบให้สิ้นไปหรือเริ่มทำตั้งแต่สังโยต์่ำดำสกฤติทิฏฐิวิจิกิจชาศีลพตะปรมาสิ้นไปเสียงคงเทวดาก็สาธุการเกิดก้องคล้ายๆกับเราเชียรมวยใคนของเรานนั้นว่าบัตรนี้กิยศาวโกวิชิตะสังฆโมตเมวสังคามสีสังอภิวิชยอาชาวสตีติอยังทิขเวตติโยเทเวสุเทวสโต ีนพีพงหลายเสียงเทวดาขังที่สามบับบตนินีอริยสาวกได้พิชิตสงครามเอาชนะพยามาแล้วแต่ชัยชนะของพวกเรานั้น <c oughs> ยังยอยู่ไกลยังยอยู่ไกลเสียงสมัยที่สามนั้นคงยังไม่ได้จินง่ายๆเท่าที่เล่ามานี่พระพุทธเจ้าท่านเล่าเราเอาไว้มีเรื่องมีราวมีตัวอย่างมีหลักฐานอิติบุท ธ, ธ, ธกะพุทธกนันไกสัพทสสตร จากกลักฐานพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่2 6าที่288 289ก็จะเห็นได้ชัดเอาละเมื่อมีเสียงของเทวดาก็ย่อมมีเสียงของมารมารก็ย่อมขูต่ตบะพวกเราที่เรามารู้จักคุ้นพลแห่งกองทัพมารกันให้ดีๆซะก่อนกองทัพยมานนี้มีขุนพลอยู่10กองพล เมื่อพญามาณมีสิบกองพลเราก็มีสิบจอมประจันบาลของเราเองเหมือนกันที่จะยันหน้าเราพญามาณฟังให้ดีนะถ้ามีเช่นนั้นจะถูกนอกกลางอากาศยังไม่ครบยี่สิบวันหรอกในป่าในเขาเนี่ยมันมีทุกรูปแบบทั้งทางตรงทั้งทา ง, ทา ง, ทา ง, ทางอ้อมทั้งกองทัพรถทั้งประจานมาอะไรต่างๆตัวใหญ่ๆของมันบีบวดทั้งนั้นนอกจากนั้ยังมาข้างล่างมาใต้ดินนี่ยมันเป็นสงครามร้อนสงครามเยน็นใต้ดินบนดินเนื้อฟ้า เป็นสงครามแห่งวัตจักรเพราะฉะนั้นก้องกําลังของเขาเนี่ยเขาจะค้นกันมาทุกรูปแบบมันยิ่งกว่าพายุทะการทะเลทรายพายุทะเลทรายของจอร์ดพูดกับซัดดําฮุตเซนเลยซ้าไปเพราะว่านี่ยมันเป็นสงครามร้อนนี่มันเป็นสงครามเย็นคำมาร์นมานม า, น, ม า, น, มา น, นั่นก็คือ Destroy er, Destroy er, เดสเตอร์ไอยเออร์เดสเรอยเออร์นะคือผู้ทําลายผู้ทําลายทําลายจิตทําลายใจเราก็ต้องมารู้จัก กองทับมานเมื่อพวกเราตั้งอกตัางใจทําความเพียนตื่นดึกลูกช้าวันนี้ขมิ้ขมันพรุ่งนี้อาจจะเฉื่อยชาพรุ่งนี้อาจจะเบื่อหน่ายพรุ่งนี้อาจจะคลายความเพียนพรุ่งนี้อาจจะเจ็บหัวปวดท้องอยู่ดีๆอาจจะมืดฟ้ามัวฝนตกลงมาอาจจะพบอากาศอันนาวเน็บอยู่ใต้เงื่อนผาเพลิงภูหุเขาปะพงดงดอนสารพัดที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อนั้นจิตใจของเราก็จะเริ่ม กระเสือกกระสนกระพนกับวายกันละ่ะผู้ที่ยังไม่มั่นคงในยุทธะสงครามครั้งนี้ด้วยนั้นเราจะต้องมารู้จักว่ากองทัพแห่งพญามารสิบคุนพลแห่งกองทัพมาร น, นั้นเราจะกลีดเลี่ยงไม่ได้ภายในเวลาที่เราได้บวชได้ประพฤติปฏิบัติในธรรมวิ น, นัยนี้เราจะพบกับสิ่งเหล่านี้รู้ก็าตามไม่รู้ก็าตามตรงไหนเป็นจุดอ่อนของเรามันก็จะใช้กองทัพ ที่ชนานาญกับจุดอ่อนของเรานั่นเนะี่ยตีตะลุยให้เราแตกกระเจิงกระจายไประวังจะถูกนกกลางาอากาศนะคนที่กระตือหรือล้นคนที่กัดฟันที่จะทําความเพลียคืนนี่ไม่นอนอย่างเนี้ยแบางท่านไม่กินข้าวอะไรคนเตรียมการให้ดีๆมันจะมาข้างหลังมาข้างหน้าไม่ได้ออกมาข้างหลังมันมาข้างห ล, งงลังแล้วเราไม่รู้ตัวระวังเตรียมอาวุธไว้ให้ดีๆ อาวุธที่จะเผชิญหน้ากับพยามา น, นั่นจะใช้พตติออนที่อเมริกาเคยใช้ยิงไอ้สกัดจัลลวดขีปนอาวุธของสัดดป์ฮุตเทนไม่ได้เรื่องไม่ได้ระคายเครื่องผิวหนังจะใช้รถถังเอวันจะใช้เครื่องบินเอฟสิบห้าเอฟสิบหกอะไรต่างๆใช้ไม่ได้หรอก จะใช้เรือปืนจะใช้จรวดทบมาฮอกอะไรต่างๆอย่าได้ไปคิดเลยมิฉะนั้นอเมริกันเป็นพระ อ, อริยเจ้าเป็นพระ อ, อรหันต์กันไปหมดแล้วจะใช้เทคนิคเฟอร์เฟอร์ยังไงมาก็ตามมันสู้มันไม่ได้หรอกเราจะต้องใช้บุตดาเทคนิค <c ười> คือเทคนิคของพระพุทธเจ้าซึ่งเคยเอาชนะพญามารพร้อมทั้งกองทัพมาแล้วอย่าไม่ให้ดีนะเดี๋ยวนี้มันมีเทคนิคใหม่ๆมาเจอะ ผมเคยพบฝรั่งบ่อยๆพวกฝรั่งเขาก็กระตือรือร้นที่จะทําสมาธิภาวนาทําความเพียรทั้งโน้ตดังทางฝรั่งทางอเมริกาทางยุโรปคือมหาสีเทคนิคเขามาจะถามว่าเขาเคยทํามหาสีเทคนิคแล้ท่านใช้เทคนิคอะไรเนี่ยมหาศีสยาดอเทคนิคนะครับพูดสั้นว่ามหาสีเทคนิค มหาศิเทคนิคก็คือที่เรามาใช้กันอย่ในประเทศไทยยุกนอพองน้อยกนอ้อย่างน้อเหยียบนออะไรน้อกันไปทั้งหมดที่ภาคตัวเองไว้นั่นนะ่นั่นแหะพวกฝรั่งเขาเรียกว่ามหาสีเทคนิค <c oughs> คือเทคนิคของมหาศีสยาดอกเามความว่ า, าดอกดังเขาก็เคยพูดกับฝรั่งว่าที่นี่ไอใช้ยพุทธดาเทคนิคเทคนิคของพระพุทธเจ้า จะลืมนะวันนี้เราจะใช้เทคนิคของพระพุทธเจ้าที่จ ะ, ะเผชิญหน้ากับกองกำลังพยามารสิบขุนพลแห่งกองทัพมารเราจะต้องมีสิบจอมประจัญบานแห่งกองทัพทรเช่่ยฟังใหอดีตอนนี้มาเรามารู้จกักคุนพลแห่งกองทัพมาให้รู้จักโฉมหน้ามันให้ดีๆมันนี่ทุกแบบทุกรูปแบบเลยโฉมหน้าของกองทัพพญามารตั้งแต่กองพลห น, นัก อาวุธหนักๆจนถึงกองพลจรวดเรือนดำน้ำอะไรต่างๆโหน่าคิดเทเดียวนะทําไปเล่นไปพระพุทธเจ้าท่านได้เล่าไว้ว่าในตอนที่ท่านทําความเพียรใหญ่ๆเนี่ยที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาในช่วงนั้นท่านรู้สึกว่าจะาทำบำเพ็ญทุกรกระกิริยาทรมานตนเอง ตามที่เขาว่ามันดีก็ต้องลองดูซะก่อนอัตากิรมฐานุโยคเคยทําเคยอยู่ดังสะดวกสบายทุกอย่างเป็นการมสุขันลิกานุโยคมาเต็มที่แล้วก็ไม่เห็นมันจะได้พ้นมิเตณนําบัณฑิตจะจมปลักลงไปในเรื่องการมารมถอนตจนไม่ขึ้นเมาทอนจนออกอย่างนี้ก็ไปอีกสุดตรงอีข้างหเลยว่า อ, อัตากิรัมฐานุโยคทรมาน พวกเดระทีนี้คนอเจรค ป, ปริพาชกเขาทรมานได้อย่างไรพระองค์ก็ต้องลองทำดูว่ามันจะเป็นทางไปเพื่อความสิ้นสุรแห่งทุกขที่กเกษมยโยคะหรือไม่เมื่อทำไปทำไปจนพร้อมกระหล่องกระแหลงมีผิวพันสอมองอดข้าวอดน้ำคาญสีคาอุย้ยทรมานล้าอย่างจนเพ อ, อเมื่อแต่หนังห่มกระดงมารก็ได้โอกาสชวนี้ฟังให้ดีนะ พวกเราี่บางคนกัดเคี้ยวกัดฟันจะเอาให้เป็นพระ อ, อริยะเจ้าให้ได้ฉันจะทำความเพียรให้บรรลุเพ่งเงนระวังให้ดีในช่วงนี้พยามารก็หัวเราะเ อ, อื๊กทำไปเถอะนะเมสมณะโมคสีติสมณะท่านนี้ไม่้นเราเมื่อเราทำไปจนเหนื่อยเต็มที่แล้วมันก็จะมากระชิบปาำบอกเลิกเถอะไม่มีประโยชน์อะไรหรอกคนอื่นทามายังไม่ได้เท่าเรานี่หรอกเขา พูดกันไปเฉยๆว่าบรรลุทำรู้เห็นอย่างโน้นอย่างนี้ดูเราทําขนาดนี้ยังไม่มีอะไรโธชาตินี่เราขอไม่มีบุญมีวัตนาเสกไปซะก่อนไปเป็นอุบาสกตัวอย่างแล้วค่อยกลับมาใหม่เห้นไหมทั้งหมดนั้นคือพระยามารที่เข้ามาภายในอันตริคะจโรปาโซยะวายังจรติมานโสบ่วงของเราลอยอยู่แล้วในอากาศคอยที่จะคล้องทันและในขณะเดียวกันยะวายังจรติมานโสบ่วงของเราก็ ลอยเข้าไปในใจท่านแล้วในนี้ยังไม่ผูกใจท่านเพราะใจท่านกำลังรุนแรงกําลังกัดเขี้วกัดฟันลับหูลับตาเพียนเพ่งเพื่อจะบรรลุธรรมแหมครั้งนี้จะเอาให้มันได้ฌานที่หนึ่งสองสามสีจะให้มันมีเจโตปริญญามันเกิดหูทิพตาทิพยาแหล่ไปนวนเขาก็เฉยไว้สัก่อนเดี๋ยวกําลังความเพียรเราอ่อนเมื่อ น, นันกสวมกึบพระพุทธเจ้าของลราท่านเราว่ามานได้เข้ามาหาเราผู้มีตนส่งไปแล้วเพื่อความเพียร บากบรนย่ญญางยิ่งเพ่งอยู่ที่ใกล้ฝั่งแห่งแม่น้ําเนรัญชลาละเพื่อบรรลุนิพพานอันกเกษมจากโยคัะกาวาจาหน่าเอนดูว่าในะเวละกาวาจาหน้าเอ็นดูนะณมูจีกรุนังวาจังพาสมาโนอุปาคามีภาษาบาลีไว้ย่างนี้แปลว่ากลาวาจาที่หน้าเอนดูว่าท่านผู้สู้พร้อมผิวพันเส้ามองความตายของท่าน ใกล้เข้าม า, าว่าอย่างเนี้กีสโสตวะมะสิทุพพันโนท่านผู้สู้พร้อมผิวพรรณของท่านเศร้าหมองเห็นมไหมละ่ะหลังจากนั้นบอกว่าสันติเกมลนังตวะสหัส ภ, ภาโคมลนัสสะเอกังโซตวะชีวิตังชีวิโตชีวิตตังเสซโยชีวังปุญญานิการสิสันติเกมลนังตวะความตายใกล้จะท่านเข้ามาแล้วนะเฮกระชิบกระชิบนะเข้ามากระชิบ น่าเอ็นดูน่ารักเหมือนกับว่าสงสารเรากลัวรเราจะตายบอกว่าความตายของท่านนะันใกล้ก็มาแล้วสันติเกเมรนังตะวะความตายใกล้ท่านกามาทุกทีเหตุแน่งความตายของท่านมีตั้งพันส่วนความเป็นอยู่ของท่านมีส่วนเดียวชีวิตของท่านถ้ายังอยู่ก็เป็นชีวิตที่เประเสดกว่าเพราะว่า ท่านอยู่แล้วจะได้กระทําบุญจะได้กระทําคุณงามความดีท่านประพฤติพรหมจรรย์บูชาไฟสั่งสมบุญได้มากท่านจะทําประโยชน์อะไรด้วยความเพียรให้ฟังให้ดีพญามารพูดอย่างห่าเอ็นเดอร์เพราว่าชีวิตของท่านใกล้ความตายความตายใกล้ท่านเข้ามาแล้วความตายใกล้ท่านเข้ามาถึงพันส่วนสหัสสะพาโคมลณัตสักสหัสสะแปลว่าพัน ภาโคส่วนมรณะสัมรณะอาะศะความตายของท่านนั้นมันมีอยู่ทั้งพันส่วนเอกังโซตบัชีวิ ต, ตังชีวิตมีอยู่เหลือเพียงส่วนเดียวพูดง่ายๆมันหนึ่งในพันหนึ่งในพันนะท่านมีเปอร์เซ็นต์รอดเพียงเปอร์เซ็นต์เดียวอีกพันเปอร์เซ็นตตายแง่แงขืนท่านเป็นอย่างนี้ท่านมีชีวิตอยู่ดีกว่าท่านตายเพราะท่านมีชีวิตอยู่ ท่านยังทําบุญทํากุศล ส, สุ่นทรทานอย่างอื่นได้ประพฤติอย่างอื่นได้มีประโยชน์อะไรกับการทําความเพียรเช่นนี้เยี่ยงมาตายว่าอย่างเนี้ยตายไปแล้วมันทําประโยชน์อะไรไม่ได้ทางเพื่อความเพียรพึงดําเนินไปได้โดยยากกระทาได้ยากให้เกิดความยินดีได้ยากนียเขาว่าอย่างนี้ทุกโคมะโคประธานายะทุกกะโรทุระพิสัมภโบทําได้ยากทําได้ยาก ทางแห่งความเพี้ยนกระทำได้ยากดำเนินไปได้ยากกระทำได้ยากทาให้เกิดปีติได้ยากเลิกทถิงการพูดอย่างอย่างนี้เหมือนกับมันมีตนมีตัวมีตนมีตัวแต่ความจริงที่เล่ามานีเราจะต้องมองกันสองด้านคือส่วนที่เป็นรูปประธรรมและส่วนที่เป็นนามธรรมคือส่วนที่ในจิตในใจท่านผู้นั้นมันมีความหมายทั้งปุคลาทิฐานคือยก แบบเป็นบุคคลตัวตนขึ้นมาเป็นที่เปรียบเปยเอ่อยอ้างถึงพยามาลเป็นตัวอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนี้แต่ลึกในจับในในในลงไปนะั้นมันเป็นธรรมมาทิฐานเป็นเรื่องของจิตใจเราฝ่ายสูงกับฝ่ายต่ํามันจะรบกันมันจะต่อสู้กันฝ่ายหนึ่งจะไล่ไปตามกิเลสฝ่ายหนึ่งฟื้นใจจะขึ้นไปสุคุณธรรเบื้องสูงก็เลยได้รบกัน เรียกว่าเป็นธรรมมาทิฐานเป็นเมตาฟิสิก w a เวออส e a กิ n งคือพูดแบบเนื้อวัตถุเนื้อฟิสิกส์ที่พญามาณคอยกระชิบข้างๆบุตรเจา้าว่าความตายของท่านมีตั้งพันส่วนความเป็นอยู่ของท่านมีส่วนเดียวชีวิตของท่านเมื่อยังอยู่ก็เป็นอยู่อย่างประเสริฐกว่าเพราะว่าท่านเป็นอยู่จะกระทำบุญได้ท่านประพฤติพรหมจรรย์การบูชาฟไฟการสังสมบุญนั่น ท่านจะทำได้มากถ้าหากท่านไม่ตายท่านจะทำประโยชน์อะไรรือความเพียรทางเพื่อความเพียรเพืงดดำเนินไปได้ยากกระทาได้ยากให้เกิดความยินดีได้ยากความหมายนี้ก็หมายถึงว่าจิตใจของเราส่วนนะผู้ใดกัดเคี้ยวกัดฟันลับหูหลับตากระทำความเพียรจะเอาให้เก่งเกินคนอื่นจะเป็นพระอริยะให้ได้อย่างน้อยต้องมีฌานมีฤทธิ์มีเดชมีูทิพตาทิพอาละ่ะทีนี่อด ต่างใจมันยิ่งไม่สงบคุณยิ่งอยากสงบมันก็ยิ่งไม่สงบเมื่อมันไม่สงบคุณก็ยิ่งอยากสงบทีนี้ก็เลยเกิดตะวับบนตะวายอดข้าวเกาะแล้วอดนอนเกาะแล้วมันก็ยังไม่ยอมสงบยังบุ่นยังบายในที่สุดมันก็จะมีความรู้สึกกระชิบขึ้นในใจว่าทําไปทํามาเดี๋ยวเราก็ตาย ประโยชน์ก็ไม่เกิดขึ้นถ้าอย่างนี้คนอื่นเขาไม่ได้ทำอย่างเราเขายัางอยู่เย็นเป็นสุขเรามีแต่ความทุกข์ทำมาเพียงถ้าย่างนี้ศึกไปดีกว่าศึกไปทำบุญรุนทรลทานไปตามมีตามเกิดใส่บาตรทำบุญนี่พญามารมันก็บอกพระพุทธเจ้าให้ไปทำบุญเหมือนกันนะมันบอกว่ามีชีวิตอยู่มันดีกว่าเพราะว่าจะได้ทำบุญวาหูตังจียเตปุลยังกิงประธานเนนะกาหาสิ ทุกขโตมโกประทานนายะทุกขโรโทุพิสัมภะบกนั่นเห็นั่นแหละมันบอกว่าชีวิตของท่านยังอยู่นั่นประเสริฐกว่าเพราะว่าท่านเป็นอยู่จั ก, กระทรมบุญได้พวกเราก็เหมือนกันไม่เข้าใจว่าตนเองได้ทําบุญอย่างยิ่งใหญ่ ย, ยิ่งกว่าการให้ทานยิ่งกว่าการสมาทานสิ้นแปดอย่างอื่นคือการจเจริญสมาธิภาวนากัดฟันต่อสู้ปฏิโซตตาขามิงทวนกระแสแห่งความรู้สึกเหล่านี้ แต่เสร็จแล้วเราก็โกพยามาลกล่อมคืออารมณ์ไฟต่ำเฮ้ยทําไปก็แค่นั้นแหละเราทํามามากขนาดนี้ก็ไม่เห็นมันดีอะไรขึ้นความเพียรก็ทํามากถ้าอย่างนี้อยู่ไปวันวันศึกไปดีกว่ามีลูกมีเมียเหมือนชาวบ้านถ้าจะตกนาลกมันคงไม่ตกแต่เราคนเดียวมันคงตกกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองคนที่ไม่เคยทําความเพียรอย่างเรานี่มันจะตกมากกว่าเรามันก็เน่นนาลกเรายังได้อยู่ข้างบนมัน่นเห็นไหมล่ะสรุปเอาง่ายๆ ทั้งหมดนี้ก็คือการพ่ายเพพยามานเพราะเห็นนั้นพระพุทธเจ้าของเรามันก็มาพูดอย่างนี้เหมือนกันความรู้สึกของท่านจะมีอย่างนี้เหมือนกันพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าผู้ใดมีความต้องการบุญมานควรจะกล่าวกับผู้นั้นหมายก็ว่าการกระทําความเพียรของเราเนี้ยมันจะต้องเนื้อบุญเนื้อบาปนะคือเราไม่ปรารถนาะเอาบุญไปสู่สวรรค์ชั้นไหนไม่เอาบาปที่จะไปสู่นรกชั้นไหน แต่เราจะไปเนื้อบุญเนื้อบาปปาปันจะปุญญันจ ะ, ญญจะทั้งบุญทั้งบาปทั้งหมดนี้เราจะต้องถอดต้องทิ้งจะต้องละต้องปะต้องวางไม่ขึ้นตะวันชั้นไหนมาตกนรบลุมไหนแต่จะไปสู่ความดับทุกข์เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกมานว่าท่านควรจะไปพูดกับผู้ที่เข้าป่าถนาพุญถามว่าอย่างนี้ผู้ใดเป็นผู้ป่าถนาบุญท่านก็ควรจะกล่าวกับผู้นั้น ผู้ใดมีความต้องการบุญมารควรจะกากับผู้นั้นพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้แต่ท่านนั้นท่านไม่ปาถนาบุญและทว่าเรานั้นจะภาคเพียงพยายามประโยชน์เช่นนี้มารบอกว่าท่านมีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งส่วนแต่ความตายใกล้ท่านเข้ามาพันส่วนท่านมีชีวิตอยู่ประเสริฐกว่าการตายนะ ช, ชีวิตโตชีวิตตังเสยโยชีวังปุญญานิกาหาสิเห็นไหมท่านมีชีวิตอยู่ประเสริฐกว่าท่านตายท่านมีชีวิตอยู่ท่านยังทำบุญทําทานได้แต่พระพุทธเจ้บาบอกเราไม่ดได้ปาถนาบุญถ้าผููได้ปาถนาบุญท่านเพิงไปหาพูดนั้นบุญนั้นยังน้อยไปกว่าคำว่ากุศลคือความรู้ความเข้าใจความฉลาดในเรื่องมารในเรื่องอารมณ์ของตอนเองนี่แหละด้วยเหตุนั้น พระพุทธเจ้าของเราท่านก็นเลยประกาศกามาลมพราะว่าท่านมีชีวิตอยู่ดีกว่าท่านตายพระพุทธเจ้าเราบอกวะ่าสังคาเมเม ม, มันตังเซยโยยันเจชีเวปรชิตโตเราตายเสียในขณะที่ต่อสู้กับมานเนี่ยยังดีกว่าการเป็นอยู่อย่างผู้พ่ายแพ้ยันเจชีเวปรชิตโตยังดีเสียกว่าการเป็นอยู่อย่างผู้พ่ายแพ้ต่อกิเลสต่าง เนี่ฟังให้ดีนะพวกเราเดี๋ยวจะอยู่อย่างเป็นผู้พ่ายแพ้ตั้งอกตั้งใจแล้ต้องตั้งใจทำความเพียรกันให้ดีๆไม่ว่ามันจะมารูกไหนครั้งแรกเขาจะมาปลอบใจเขาจะมาประเลาประลมจะชักชวนว่าการทําความเพียรอย่างเพ็ดร้อนอย่างนี้ดูสิมากับครูบาอาจารย์นอนในดินกินอยู่ก็ไม่ได้กินข้าวกินมามากวันละสองหอ่อมีน้าซ้ําหนาวก่อนหนาวอยู่บนภูเขาสูงใต่ เรื่องพาเพลิงภูฝนตกมานี่จะอยู่อย่างไรโถอยู่บ้านพ่อบ้านแม่เราไม่ได้เดือดร้อนขนาดนี้วัดวาอารามเขาปลูกให้ใหญ่โตอยู่ดีๆไม่ชอบดันมานอนในป่านในดงเดี๋ยวเมลารียจะกินหัวเดี๋ยวจะไข่ป่าอะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละถ้าท่านคิดโอนเอียงไปหวากวดกลัวต่อสิ่งเล้วนี้เมื่อนนั้นแสดงว่า ม, มาร ก, กําลังครอบงำท่านแล้วก็เห็นนี้ เราจะต้องประกาศสงครามกับมันอย่างชัดเจนเลือดเนื้อเหือดแห้งไปเหลือแต่นังเอ็นกระดูกเท่านั้นเหลืออยู่เราก็จักไม่จอมให้มันตายไปเลยสังคาเมเมมาตังเสื่อยโยยยังเจชีเวปรชิตโตตายเสียในขณะที่ต่อสู้ดีเสียกว่าเป็นอยู่อย่างผู้พ่ายแพ้ที่นี้พระพุทธเจ้าก็เลยประกาศบอกมันเรารู้จักกองทัพของท่านหมดแล้วท่านไม่ต้องมาครูท่านไม่ต้องมา ตาวาท่านไม่ต้องมากาวาจาน้าเอ็นดูกับเราหรอกกองทัพของพระยมานมีเท่าไหร่ฟังให้ดีนะกองทัพของพระยมานนั้นมีถึงสิบกองทัพเมื่อมันมีสิบกองทัพมันก็มีสิบขุนพลอีกเหมือนกันลองฟังให้ดีแล้วก็ลองพิิจพิจารณาว่าใครมีแล้วใครถูกมารเข้าไปตลุมบอนและใครถูกมารที่บกทะหลวงเข้าไปบังแล้ว พระพุทธยังเราวว่ากามาเตปธรมาเสนาทุติยารติวุจติตติยาคุปาาิปัสเตจะดุทีตันหา้าปวุจติปันจามังทีนมิทันเตฉัฏท้ทาผิวปวุจติสตมีวิจิกิจชาเตมัคโคทัมโภเตอัตโมลาโภสิโลโกส ก, กาโรมิชารโทยโยโยโสโยจตานังสมุ ก, กังเลเปเรจอวชานติข้อภยัยมันเป็นภาษาบาลี คงจะต้องแปลการที่พูดนั้นมันเป็นกาเป็นกนเป็นจำนวนเป็นคาถาเป็นบทประพันธ์พระพุทธเจ้าท่านพูดอย่างเนี้ยกามาเตปัตมาเสนากามทั้งหลายเรากล่าวว่าเป็นทหารกองพลที่หนึ่งของท่านปัตมาปัตมาเสนานั้นแปลว่าทหารขออภยัยผมแปลอย่างโลดพนไปหน่อยความจริงเขาว่า การเรากล่าวว่ากามทั้งหลายเป็นเสนาที่หนึ่งของท่านคำว่าเสนาหน้นก็แปลว่าทหารผมขอตั้งให้ว่าเป็นขุนพลที่หนึ่งกองทัพอันยิ่งใหญ่กองทัพที่หนึ่งกองพลที่หนึ่งของพญามารคือเรื่องกามเรื่องการ ม, มารมเรื่องเพศเรื่องเซกเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกินเรื่องรดนี่แหละพระเนรเรามันตายเพราะกองพลที่หนึ่งของมารนี่เอาแล้วเราจะต่อสู้อย่างไรเอาฟังไปก่อน รู้จักชมหน้ามันให้ดีๆสิบคุนพลแห่งกองทัพมารและเราจงมารู้จักสิบจอมประจัญบานแห่งกองทัพทำยันหน้าพยมานให้มันจูหมัดกลัวมันอะไรกามทั้งหลายเรากะว่าเป็นกองพลที่หนึ่งกองทหารที่หนึ่งของท่านความไม่ยินดีเรากะว่าเป็นกองพลที่สองทุติยารตัติวุตจติ ตุติยาเปตวธีตสองติวจัจติความไม่พอใจความไม่ยินดีเรากล่าวว่าเป็นกองพนที่สองกองพนที่สามตติยาหุปิปาซาเตความหิ้วและความกระหายเรากล่าว่าเป็นกองพนที่สามตามมาที่สี่จะตุเทจะตุที่ตันห้าประวุจจทิเรากล่ะว่า ปัญหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากในกามความอยากมีอยากเป็นความไม่อยากมีไม่อยา ก, ยากเป็นไม่อยากเห็นไม่อยากพบเรากล่าวว่าเป็นกองทัพที่สี่ของทันส่วนกองทัพที่ห้าปัญญมังธีนาะมิทันเตตัวนี้ก็เก่งไม่เบาเลยตื่นมาได้แต่ตีหนึง่งตีสอมันก็ระดมกำลังโดยเฉพาะใช้กองทัพนี้ถล่มทนลวงอยู่ กองทัพที่ห้านั่นคือความมั่งเงา้านอนทีนะมิทธะความมัวงเง า, านอนจึงว่าปัญจะมังทีนะมิทันเตสศธาพีรูปปุจจติส่วนกองทัพที่หกคือความขาดกลัวเรากระบ่าเป็นกองทัพที่หกของท่านกองทัพที่เจ็ดคือความสงสัยร่ำไปในการประพฤติปานปฏิบัติสัตมีวิจิกิจชาเตมโคทัมโพเตอัตมโม ความสงสัยเรากล่าว่าเป็นกองทัพที่เจ็ดคุพนพ้นในหัวหน้าใหญ่มันที่เจ็ดส่วนที่แปดความหลบหลูความหัวดือ้อเรากล่าวว่าเป็นกองทัพที่แปดส่วนกองทัพที่เก้าลาบสักระสรรเสริญเยินยอเป็นกองทัพที่เก้าลาโพสิโลโกสักการะกองทัพที่สิบมิ ช, ชา่าลทัทธโยยโัโศการได้ยศ ได้มาในทางที่ผิดซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลยกตนโดมิ่นผู้อื่นเรากะว่าเป็นกองทัพที่สิบของท่านเนี่มานเสนาของท่านนี้มีปกติกำจัดซึ่งคนผู้มีธรรมดำคนผู้ไม่กล้าย่อมไม่ชนะซึ่งเซนาของท่านนั้นส่วนคนผู้กล้าย่อมชนะได้ครั้นชนะแล้วย่อมได้ความสุขก็เพราะเหตุที่ได้ความสุขนั้นแม้เราก็เพ่งรักษาไว ซึ่งความสุขเหล่านี้เราเรายอมตายเสียดีกวา่าที่จะอยู่อย่างเป็นผู้พ่ายแพ้ต่อไซนาของท่านครับผู้ดได้จารย์พูดเอาละที่นี่เราก็มาว่ากันไปเป็นกองพลกองพลพอจะรู้จักกันกองพลที่หนึ่งคือกามกามาเตปธรรมาเสนากองพลที่หนึ่งของกามของมานคือกามรู้สึกว่ากองพลนี้แหละที่ใช้ได้ผลมากที่สุดแก่พระหนมเนนน้อย มีความปา่าเถรนะมีความทะเยอทะยานที่เราหนี้มาจากบ้านจนมาอยู่ในป่าในเขาไกลห่างจากหมู่บ้านจนไม่ได้ยินเสียงของผู้ของพลอยบนภูเขาสูงอยู่ในป่าใหญ่ป่าลึกเช่นนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะหนีพ้นมันมันยังมีอีกตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็ไม่ได้กลิ่นลิ้นก็ไม่ได้รสกายก็ไม่เคยใกล้ชิดสัมผัสแต่ยังมีอีกยะวายังจรติมนานโส บ่วงของเราลอยเข้าไปในใจท่านแล้วท่านจะนีไปไหนสมณะ <c oughs> นะเบสมณะโมกสิติในช่วงนี้ท่านจะต้องตั้งใจมีสตินะทุกรูปทุกองค์มีสติทุกลมหายใจมีสติทุกเมื่อที่เรามีความรู้สึกอะไรขึ้นมาไม่ว่าจะมีความปารถนาทางกามมวิตกความคุณคิดไปทางกามทางปัญญาบาทางคุนเครื่อง ทางเกียรติทางรักทางชิงชังอะไรให้รู้จักมันรู้จักมันไว้อย่าเพิ่งหลงไปกับมันในช่วงนี้ตาไม่ได้เห็นหงไม่ได้เห็นแต่ใจมันจะคิดไปหาคล้ายๆว่าช่วงนี้เรากําลังล่อเสือออกจากถ้าเคยได้ยินไหมว่ายุทธการล่อเสือออกจากถ้าเสือในที่นี้เราหมายถึงกามเราอยู่ในบ้านมันมั่ว หูก็ได้ยินเสียงตื่นขึ้นมาลดขายน้ำปลาสาวเสื้อผ้าคาเ ข, ขี่ยงไม่เลยพี่ชายล่ำอย่างเนี้ยเผ่าต่อยมันลุยเข้ามาทางหูแล้วอ้าวไปไปบินทบาดไปเห็นอีกแล้วน่าเขาข า, ขาผมยาวๆปากแดงๆคิ้วโกงๆมาใส่บานรหนาวเกือบตายนุ่งกางเกงท้าสั้นไม่หนาวกับเราเลยเสื้อชั้นในก็ไม่ใส่ไม่ได้ดูก็เห็นเหมือนนั้นก็เข้ามาบุกทะลุทะลวงทางตาอ้าวได้กินแต่งกินเครื่องสมอางมาใส่บงสบายโอ้ยสารพัดจัง ทีนี้เราปิดหนีมาอยู่ป่าหูไม่ได้ยินแล้วตาไม่ได้เห็นแล้วจมูกก็ไม่ได้กลิ่นสิ่งเหล่านี้นลิ้นรสและการสัมผัสทางกายเราปิดไว้หมดเลยห้ารูห้าประตูปิดตายทีนี้ก็เปิดไว้ประตูเดียวล่อเสือออกจากถ้าคือช่วงนี้หมดปัญหาทางตาหูจมูกลิ้นกายก็มาเฝ้าดูแต่ประตูแห่งหัวใจ ความคิดไปทางการมารมในอดีตในปัจจุบันในอนาคตความคุณคิดไปเสี่ยงใดเรารู้มันที่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนว่าจิตตะสังขารังปฏิสังเวทีอสสะปัสสะมีติสิกติภิกษุ น, นั้นทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความคิดปุงแต่งที่เรียกว่าจิตสังขารทุกลมหายใจมันจะคิดอะไร ช่วงนี้ปิดตาปิดหูปิดจมูก็รอดูแต่ใจรักษาประตูเดียวช่วงนี้เรียกว่ายุทธการล่อเสือออกจากถ้ำราพระพุทธเจ้าก็ลาท่านกล่าวว่าอารมณ์อันงดงามอันวิจิตในโลกในทางหลายยังไม่ใช่การแท้เห็นไหมนาเตกามานิวิจิตรานิโรเกกับปราโคโปุริสส ก, กามอารมณ์อันงดงามอันวิจิตทั้งหลาย ในโลกนี้ยังไม่ใช่ตัวกามแต่ตัวกามแท้คือสังกับปราโครุริสัสการมองความดำริให้ไปพร้อมกับประราธะนั่นแหละถือว่าเป็นกามกามพงบุรุษกามพงสติราะเหตุนั้นความดำริความคิดไปสู่กามเรื่องอดีตเรื่องอนาคตกลางวันก็คิดได้ไม่ว่าจะยืนก็คิดนัง่งก็คิดนอนก็คิดยืนเดินนัง่งนอน มันคิดได้าังนั้นกลางวันกลางคืนไม่ได้มืดเลยไม่ได้ส่องไฟให้มันเลยมันคิดไปเรื่องตาเมื่องไลยเห็นหน้าคนโน้นคนนี้ในช่วงนี้คือตัวตามแท้ที่เรียก ว, ว่าสังกปราโคบริสสกาโงจิตที่ดำริคลายไปกับราคะความกำหนัดชันทราคะความพอใจยินดีเพลิดเพลินกับมันนี่แหละคือตัวตามด้วยเหนนี้เราก็มาจ้องสติรู้เท่าทันตัวนี้ ปิญญายญาปิญญายะสัมพโพลาใะรู้มันยิ่งเงนไปรู้ยิ่งเงินไปให้มันสักแต่ว่าความคิดสักตัว่าความรู้สึกอย่างนี้ก็สามารถพิชิตม่านตัวการอารมณ์นี้ได้ช่วงนี้เรามาอยู่ในปา่าในเขาในระปิดประตูห้าประตูเหลือไว้ประตูเดียวเรียกว่ายุทธการล่อเสือออกจากะําอ้าให้มันมาไม่ต้องไปกลัวมันจ้างมันเลยเชิญมันคิดมามันคิดมาร้อยครั้งกูจะรู้มึงร้อยหนนคิดมาพันครั้ง รูมันต้องทันหนอนไม่คิดก็ยังจะตามเขาเป็นรู้มันอีกเวลาใดมันเสงงบเราก็จะพิ จ, จนารณานเรื่องอสุภะเรื่องอะไรมันเกิดความเบื่อหน่ายขก้นมนี่เราประจันบานกับตามพวกนี้เอาเทนี้ถ้าหากมันปราบเราเรื่องกามไม่ได้ระวังมีกองทัพที่สองทุติยารติวุติความไม่ยินดีเรากะว่าเป็นเสนาที่สองคือทหารขุนพลที่สองของท่าน ความไม่ยินดีนั่นหมายถึงอะไรเมื่อไม่คํานึงถึงเรื่องการมแต่ก็มีอีกคือเรื่องตรงกันข้ามกับการ์มคือความไม่ยินดีกามนั้นคือความยินดีอย่างยิ่งเลยแต่นี้ไม่ยินดีเมื่อไม่ยินดีแล้วไม่ใช่ธรรมดาสามัญ น, นะเป็นอันตรายอย่างยิ่งใหญ่ขุนผลเนี่ยทําให้เราเกิดความเบื่อเกิดความเซ็งเซ็งในการที่จะต้องมาทําความเพียรในปานนะห้เขาเอาเออกมาเกลียดขี้หน้า แม้กระทั่งหม่กระทั่งกันนะกระทั่งครูบาอาจารย์มันไม่น่าฟังมันไม่อยากจะเห็นบางทีมองเห็นคนโนคนนี้ก็น่าเกลียดขึ้นมาระวังให้ดีตอนนี้ก็ทําให้จิตใจวุ้นวายไม่สงบประงับกองทัพที่สองของมันมันมีคุนผลตัวนี้เป็นผู้นําคือความไม่ยินดีหนักหนักข่าวไม่ยินดีแม้กระทั่งตัวเองอันตรายมากถึงกับผูกคอตายกินยาตายฆ่าตัวตายไม่ยินดีในโลกนี้ไปอยู่พรหมโลกดีกว่า อยู่ไปมันชักชาภูขอตายกินยาตายทั้งหมดนั้นคือกองทัพที่สองอสอดแทรกมานักปฏิบัติทำภูเขาตายเยอะแยะเลยเพราะว่าเจอขุนผลที่สองกองทัพที่สองเนี่ยมีขุนผลคือความไม่เห็นดีผมนี่แหละคนนึงเคยมาแล้วทําความเปลี่ยรแล้วเกลียดขี้หน้าตนเองมันโง่มันไม่รู้มันไม่เข้าใจปฏิบัติไปมันก็ไม่กล่าวหนาสติก็ไม่มีสมาธิาไม่เกิดโอ้ เบื่อนายไม่อยากได้ยินชื่อของมันคนที่มีชื่ออย่างนี้เกลียดน้ำหน้าตนเองจกตายเบื่อนายกว่าจะรู้ได้โว่สองสามวันเกือบจะหาเรื่องแล้วดียังมีสติมีสัมปชัญญะมาทำมาอ้าวความเบื่อนายอยากตายไม่อยากอยู่เกลียดน้ำหน้าตนเองแล้วมันก็ทุกข์อีกแบบหนึ่งโอ้ยเราไปฏิบัติธรรมเพื่อยังไม่ทุกข์เพื่อจะดับทุกข์เลยกูมันบ้าม่นรู้เท่าทันอย่างที่เห็นไหมล่ะ กองทับพรยามาดํานินมีหลายกองพัดทับกองผ่นมาทุกรูปแบบมาให้รักมาให้รักก็เจนินนอนไม่หลับคิดถึงบุญน้อยคิดถึงเมื่อเรารู้เท่าทันเอามาให้เกลียดไม่มีใครเกลียดเกลียดน้ำหนาตนเองเออฟังใหดีดูถูกตนเองมีบุญน้อยมีวาตนาน้อยทําความเพียรก็ไม่ก้าวหน้าเหมือนองค์นน่นองค์นี้ทําไมเนอะจึงต้องเป็นเราเราเนี่ทําความเพียรอย่างยิ่งใหญ่ทําไมจึงไม่ก้าวหน้ารู้เท่าทันมัน ก้าวหรือไม่กา้าวก็ช่างหห ว, ว่ามันทํามันไปเรื่อยๆคนโบราณภาคอีสานบาอจากหอดไวแห่ขานจยากหอดนานไ้แลนดหอดบอหอดสั่งว่ามันพระพุทธเจ้าว่าทำความเพียรเหมือนไก่กกไข่ไก่มันฟักไข่หน้าที่ของมันฟักต่อไปให้ความอบอุ่นความออกมาเป็นลูกเป็นตัวเป็นเรื่องของลูกมันเองเหมือนเราปลูกต้นไม้รดน้ำพรวนดินไปเรื่อยมันจะเจริญเติบโตเองถ้าใจร้อนมึงทําไมไม่งามเอาปุ๋ยไปใส่วันละกิโลสองกิโลตายครับตายเพราะปุ๋ย นี่ก็เหมือนกันตายเพราะความเพียรทำความเพียรมากๆแล้วเกิดความเบื่อหน่ายนะเห็นไหมเอาละเรารู้จั ก, จกชมหน้ามันก่อนว่าไม่ว่ามันจะเกลียดไม่ว่ามันจะไม่พอใจใครแม้จะไม่พอใจตนเองก็จงรู้จักมันเถิดว่า น, นั่นคือกองพลที่สองแห่งกองทัพพญามาณกองพลที่สามทีนี่ ต, ตัทยาคุปปิปาสาเตกองพลตัว น, นี้ปุถุตจาว่าความหิวความกระหาย เรากาว่าเป็นเซนาที่สามของท่านกองพลที่สามหิวหิวจะหลอกแกแหลกกินมามา่าสองห่อนี้ไม่พออยากนอนอยางนี่เห็นผักเขียวๆจะปีนลงไปนั่นโอ้ยผักหนอกเอามาต้มน้ำร้อนเอาไปมาเห็นใบไม้ทั้งหลายเป็นผักไปหมดหฮ้ไม่มีอะไรจะกินจะต้มน้ำร้อนต้มใส่เกลือกิน พอเลสต้นน้ำกลัวจะขาดวิตามินดไดโนไดนี่มันเป็นไปเองแล้วจะทําให้เราเสียเวลาในการทําความเพียหิ้วกระหาอยู่ตลอดโดยเฉพาะผู้ที่ติดบุหรี่ติดยาเสพติดติดยาทัานใจยาปวดหายช่วงนี้มันจะบีบคั้นอย่างปวดร้าวที่สดยาแก้สูบบุหรี่ยาแก้กินยาปวดหายอยากกินย า, น า, ยย า, นยาทัานใจตรงนี้เจอกองพลที่สามคุนพลที่สามแห่งกองพลที่สามคือคุ ป, ปิปาสา คู ป, ปีปลาสาเป็นชื่อของเปรตชนิดหนึ่งเในวัคบีปลาสาเปรตหิวอยู่ตลอดเวลาเขาจึงเขียน ท, ท้องเข้าภูเขาปากเท่ารูเข็มดูดมาเท่าไรก็ไม่เต็มเพราะมันหิวอยู่ตลอดภาษาบาลีวัคบีปลาสาเปรตเปรตหิวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมเนยในป่าในเขาจะไปเป็นขู ป, ปิปาสาเปรตนะมาม่าสองหอหนี้เลืออยู่เล็กคินแล้วแล้ว่าใค่ดี ใ่จะยังวงเอาเขานอนเอาละมันไม่ตายดอกระวังให้ดีมิฉะนั้นกองผลที่สามมันจะเอาขุ ป, ปิปาสาเปตดมาสอดมาแทกให้สลัดทิ้งให้หมดอย่าไปบางคนอยู่ไม่ได้จริงๆนะอ่ะผมจะบอกให้ทราบวา่าถ้าผู้ใดไม่ซื่อสัตย์ในธรรมกลับไปนี่เป็นลักสูบุรีมีบุรีซ่อนมาสูบอนกดท่านจะโยกไม่ครบ2ี่สิบวันหนึ่งจะเจ็บไข้ได้ป่วยสองอยู่ไม่ได้เลารอนเอง ก็จะลักนีไปเองการมาที่นี่มันมาตันกล้องคนจริงๆเข้าใจไหมประกาศสงครามสงครามกันเต็มรูปแบบกับพญามารเพราะฉะนั้นหิวกะหายคุณจะหิวผิดปกติถ้าเคยติดบุหรี่คุณจะอยากซูบมากถ้าเคยกินยาปวดท้ายทันใจยานัดคุณจะหิวกะหายเพราะมาที่นี่เพื่อขจัดความหิวทั้ง น, นั้นจําไว้ให้ดีถ้าหิวอะไรขึ้นมาก็ให้รู้ว่านี่คือก้องพนที่สามโว้ย อยากจะสูบุหรยากะกินยาทันใจปวดหายก็อ๋อกองพลที่สามมาแล้วโว้ยเราจะไม่ยอมสยบให้แกมันสั่งคาเมเมมันดังเสยโยอย่างเจชีเวประชิตโตตายเสียในขณะที่ต่อสู้อยู่ดีก็อยู่อย่างเป็นผู้พ่ายแพ้ที่ไ้รู้จักกองพลที่สี่จะตุดที่ตันห้าปะวุจจติเรากวาวาดันหาเป็นกองพลที่สี่ของท่าน เร่หานี the reality, yes. ่คืออะก็เรื่องการมาลมนี่อันหนึ่งละพอตัดเรื่องการได้ก็มีกันเรื่องอยากเป็นอยากเป็นอย่างโน่นอยากเป็นอย่างนี่มาอยู่ที่นี่มันจะเป็นไอโน้นมันจะเป็นไอนี่ไม่อยากเป็นเดี๋ยวจะเป็นโลกกาเพราะเดี๋ยวจะเป็นโน้นเป็นนี่เดี๋ยวจะไม่ได้หนังสือเอาและวสิเท่นี่มาหลับหูหลับตาในปานในเขาดั้นอยากท่องหนังสืออยากจะได้ปาตี้โมกอยากกัได้สวดโน้นสวดนี่ย่างกะ อ่านคำกรคำโครงคำซ้อนครูบาอาจารย์โน่นนี่ดีกว่ามะหนังลาบพุงลบภตาเนี่มันมีทางเป็นไปได้ทั้งนั้นตอนอยู่วัดขี้เกียอจอ่านหนังสือแต่พอมาจะเริรร่นสมาธิภาวนาในปัญญาอีกแล้วตัณหาอยากจะเป็นนักปราชญ์หิวความเป็นนักปราชญ์ก็เลยเป็นเปรตอีกประเภทหนึ่งออกเหมือนกันเพราะนั้นระวังให้ดีนอกจากอยาก ทางการแล้วไม่ได้ก็มาอยากมีอย่างโน้นอยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอานชาอาจายอยากจะเป็นนักสวดอยากแคเป็นนักสอนอยากแคเป็นนักเทศนั่งสมาธิไปปรุงเทศอยู่คนเดียวเทศตั้งแต่นั่งสอ ง, างสามงชั่วโมงเทศเพ่ไปเทศมาเอากระดาษมาจดไว้กลัว ม, มันจะลืมแหมมาเทศเก่งลเลยเกินแต่เทศคนเดียวอยู่ในใจเทศในต้นไม้ต้นไหลให้ภูเขาฟังทั้งหมดนั่นคือความอยาก อยากเป็นนักปราชญ์อยากเป็นนักเทศอยากมีชื่อเสียงโด่งดังจําไว้ให้ดีนี่คือคนที่สีจ็ดุดที่แตงง่วงง่วงง่วงกองผลที่ห้าความง่วงเหงาห้ า, หานอนเรากล่าวา่าเป็นเตนาที่ห้าเป็นคุ้นพนที่ห้าของท่านไม่รู้มันง่วงมาแต่ชาติไหนลุกขึมานั่งสมาธิก็เท่ากับว่าเปลี่ยนย้ายที่นอนเท่านั้นเองนั่งปั๊บไม่ทลายคอตกหลับเฉยนั่งอยู่ก็โกนท่าท่ า, ท า, ทาให้เพื่อน วัวตกคอพับคอแง่นเป็นสมาธิไก่งวงสมาธิไก่ตายหาสมาธิไก่ตายภาคสังกสังกสวบพุทธับพี่เจ้ามันหิวอยู่หิวนอนมาแต่ไหน <c oughs> อันนี้ก็คือคุ้นพลที่ห้าของ็จญมาณซับมากอกทำอย่างไรวิธีแก้มันก็มีอีกนั่นแหละ ตอนนี้ระวังให้ดีถ้ามันง่วงก็เปลี่ยนอิริยาบถเสียและจำกัดอาหารอย่าไปกินมากจะตาโรปันจอาโลเปพุทธวาปิเวอาลังพาสวิหาลายะปะหิตัดตัดสะพิคุโนดูก่อนพิสุถ้าเธอชั้นอาหารจะอิมเลื้อไว้สี่ห้าคำเธอเพิ่งหยุดเสียแล้วดื่มน้ำให้มากๆการกระทําเช่นนี้เป็นการกระทํา ส้มควรให้เกิดความพัสสุกแก่ภิกษุผู้มีตนส่งไปแล้วความง่วงเหงาห้าวนอนมันจะน้อยลงอย่าไปกินมากนะักถ้ามันง่วงสังเกตดูกระเจี๊ยมสี่ห้าคำคุณเลิกไม่ต้องไปเสียดายมันไม่เป็นโรคขาดอาหารตายผมอดมาให้ดูเห็นไหมในยะี่สิบเอ็ดวันกิ น, นหน้าไม่เห็นเป็นโรคขาดอาหารตายไม่เห็นพร้อมเลยเนี่ยเห็นไหมเนะี่ยอยู่ไม่ได้เพรา ะ, ะนั้นหนึ่งเปลียนอิริยาบถถ้ามันง่วงก็ยืนเอ็น นั่งยืนเดินอย่าไอย่าไปนอนมันนะทีนี้ต่อมาก็กำจำกัดอาหารอันที่สามสร้างลโลกับสัญญาที่ว่ากัะสัญญาลืมตาอย่ามัวแต่นั่งหลับตาลืมตามีสติอยู่หาจะข้าวหาจะออกมองไปไกลๆสักสองสามว่าถ้ามันหนักหน้าผากก็จัดไกลออกไปอีกการลืมตาเป็นการระบายความร้อนในตัวนะถ้าหลับตาจะเกิดความร้อนและมีความคิดมากถ้า ชินต่อความร้อนถ้าร้อนแล้วมันก็ง่วงนอนถ้าคุณนั่งร้อนๆคนจะง่วงนอนทํำให้ทําให้เข้าใจนะถ้าคุณอุ่นคุณก็ง่วงนอนเองถ้าร้อนเนี่จะยิ่งหน้าร้อนคนยิ่งง่วงนอนเก่งถ้าคุณขับรถผมเคยอยู่ในทะเลทรายหลายปีทะเลทรายมันร้อนนั่งอยู่ในรถร้อนๆม่ะไม่ได้จะง่วงเอาน้ำเย็นๆมารูบมันก็หายการนั่งหลับตานี่ทําให้ความร้อนในร่างกายเพิ่มขึ้น การไห้เวียนของโลหิตของถาดดิน น, น่น้ำถาดไฟถาดลมอะไรต่างๆมีวงจรอยู่ในตัวแต่ถ้าเราลืมตาขึ้นมันระบายความร้อนไปในตัวนะความร้อนก่อน้อยความง่วงเหงาห้าวนอนนีดน้อยเฮ้ถ้าคุณหลับตาไปคุณร้อนมากคุณก็ง่วงถ้าคุณหลับตาไปในหน้านาำคุณอุ่นคุณก็ง่วงถ้าคุณลืมตาทํำตมาธิได้จะเป็นการดีที่สุดพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าให้หลับตาให้ลืมตาไมนะ่ให้จัดอา้าที่มันเหมาะมันสม อีกประการหนึ่งกลางคืนเนี่ยคุณลืมตาคุณมองทิศ้ายแลขวาอโลกิเตวิตโลกิเตสัมปชนะัญญะกาลกีโฮติมีสัมปชญัญญะในการแลการเลี้ยวเงี้นมองดูท้องฟ้ามองดูดาวแลดูทิศทางไรมีสติอยู่ในการแลการเลี้ยวสัมปชญัญญะอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมีสติสัมปชัญญะแลเลี้ยวชื่ออย่างนี้เปลี่ยนเอาน้ําลมนะถ้าคุณ ยังไม่หายคุณทำให้ฉลาดสร้างความรู้สึกไว้ส่วนบนมีสติอยู่ส่วนบนแค่หัวขึ้นมาที่เรียกว่าปริมุกขังสติงมีสติเฉพาะหน้าแล้วคุณก็จ่อสติลงท้าปนาตั้งไว้ตรงไหนเอาไว้ถ้าคุณได้ยินเสียงในหูคุณก็จ่อสติฟังที่หูคุณยะมีความรู้สึกไว้ส่วนบนสร้างอโลกาสัญญาเหมือนกับมันสว่างสวัยทาไปทาไปคุณจะถึงจุดที่มันสว่าง สว่างวะขึ้นมาหายห่วงเงาห้าวนอนถ้าคุณสร้างสติไว้ส่วนบนไม่ต้องกําหนดดูลมหายใจสับทำความรู้สึกไว้ส่วนบนกําหนดฟังเสียงจากหนัที่ได้ยินอย่ามีสติสัมปชัญญะอยู่ต่อมาความคิดน้อยลงน้อยลงความตื่นตัวเกิดขึ้นคุณอาจจะมีสติอยู่ส่วนบนแล้วได้มีเสียงอะไรกระทบหูขึ้นมาคุณจะเห็นแสงออกทางตา คลื่นของแสงคลื่นของเสียงคลื่นของรูปอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นในช่วงนี้มีแสงข้างบนความมัวเงาห้องนอนน้อยลงน้อยลงคนจะรู้สึกตัวใหญ่ๆมากขึ้นทําได้หลายอย่างอันนี้สนุกมากมันอยู่ใกล้ๆกันระหว่างหลับกับตืน่นหรือไมิฉะนั้นคนมีสติและมีสมัมปชัญญะด้วยยามีแต่สติคือระ ล, ลึกได้อย่างเดียวพอต้องรู้สึกสติระ ล, ลึกได้ สัมปชัญญะรู้สึกตัวว่าระลึกได้และรู้สึกตัวว่าระลึกไม่ได้พอเวลามันง่วงหลับปุ๊บคุณก็มีสติว่าโอ้มันง่วงมีสัมปชัญญะรู้ว่าโอ้นี่มันยังรู้ว่ามันง่วงโอ้เมื่อกี้มันหลงไปจนหลับแบบนี้มีสติรู้ระลึกว่ามันง่วงสัมปชัญญะรู้ว่ามันระลึกได้ว่าง่วงมันก็หายเป็นปิดทิ้งง่วงนอนได้มีนิดเดียวนะหลับไปนาทีส่งนาทีก็หายง่วงนะ นักปฏิบัติไม่ต้องนอนมากแล้วชาคลียังอนุยุตโตรประกอบความเพียรมาพูดเดินตัวนี้ก็เก่งแก้กันไม่ตกสองปีสามปี4ีปีห้าปีแก้ไม่ตกแก้ไม่ตกก็ไปห้าครูบาอาจารย์ให้ท่านแนะนำเอาให้พูดขา้ข า, วขาวไว้ก่อนหลับแล้วเลิกปัญบามันให้ดีๆ